เวลาคนไม่เคยเดินอย่างนี้ไม่เคยใช้สติเดินเดินแต่กับกิเลสเนี่ยถ้าเอามือมาจับไว้ข้างหน้าเก็บมือนิ่ ง, งกิเลสมันชอบให้เราห้อยไว้ข้างลําตัวแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาไอ้นี่เราจะใช้ฝึกมันพอจับมันมาไว้ข้างหน้าเก็บไว้แล้วเนี่ยพอเราจะเดินเนี่ยมันโคลงเคลงวิธีแก้ก็คือก้าวสั้นๆ ก้าวสั้นๆจะไม่โครงเพลงเออก้าวสั้นๆแล้วก็พอเราจะยกจะขยับจะต้องรู้สึกเริ่มต้นนีนรู้สึกที่ส้นส้นส้นเท้าของตัวเองก่อนพอยกขึ้นก็รู้สึกย่างไปก็รู้สึกเหยียบลงรู้สึกแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนเรียกว่าพอทอนขวาจะขยับมันจะขยับไปโดยที่เราไม่รู้เราก็ รู้ในสิ่งที่เราขยับให้ให้รู้สึกก่อนแล้วค่อยขยับถ้าไม่ขยับหรือขยับโดยที่เราไม่รู้เนี่ยอันนั้นเป็นเป็นการบ่มของของกิเลสพอเรารู้ส้นขยับปับ๊บรู้รู้สึกต่อการที่ส้นขยับรู้สึกต่อเท้าที่ย่างรู้สึกต่อเท้าที่เหยียบ รู้สึกต่อส้นที่ยกขึ้นรู้สึกต่อเท้าที่ก้าวไปรู้สึกต่อเท้าที่เหยียบลงแค่รู้สึกพระพุทธเจ้าเรียกปฏิสติมัตายะแค่รู้สึกแค่ระลึกขึ้นเท่านั้นไม่ต้องสงสัยอะไรไม่ต้องไปตั้งประเด็นอะไรในใจวันนี้ขณะ น, นี้เราไม่ได้เป็นใครเราเป็นแค่รูปนามอันหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ตรงนี้สิ่งสมมุติทั้งหลายแลทถอดออกไปก่อนค่อยมาสวมใส่กันใหม่เวลาจะออกจากที่นี่ร่างกายของเรากำลังเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตยกต้นขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกยกส้นขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึก ยกส้นขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกยกส้นขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกจิตรู้ของเราใส่ใจในการที 1. ่ส้นยกขึ 1. ้นใส่ใจในการที 1. ่เท้าก้าวไปใส่ใจในการที่เท้าเหยียบลงใส่ใจในการที่ส้นมันยกขึ้น ใส่ใจในการที่เท้ามันก้าวไปใส่ใจในการที่เท้าเหยียบลงใส่ใจในการที่ส้นยกขึ้นใส่ใจในการที่เท้าก้าวไปใส่ใจ totally ในการที่เท้าเหยียบลงยกช้น <ngh> ข <ỉ> ึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกอย่างนี้ ถ้าจิตมันหลุดออกไปจากเท้าคือมีความคิดเกิดขึ้นถ้าจิตมันมีความคิดเกิดขึ้นนั่นคือมันหลุดออกจากการรู้ที่เท้าก็ไม่เป็นไรเราก็แค่ยกเขากลับมาให้มารู้สึกต่อการเคลื่อนไหวของเท้าใหม่เท้าเราเคลื่อนไหวอย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นบางครั้งอาจจะรู้ไม่ชัดไม่เป็นไร ชัดมั่งไม่ชัดมั่งแต่ขอให้มีความวิตกคือการยกจิตขึ้นมาเพื่อรู้การเคลื่อนไหวนั้นยกชนขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบรู้สึกรู้ที่เรารู้เนี่ยรู้ความรู้จิตรู้ที่เรารู้การเคลื่อนไหวของเท้าเนี่ย รู้ตัวนี้แหละเป็นอนิสิตาอีกเหมือนกันมันไม่มีอดีตมันไม่มีอนาคตเท้าที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นเป็นปัจจุบันาการจิตที่รู้ต่อการเคลื่อนไหวของเท้านั้นที่มันรู้รู้พร้อมกันเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันาการและปัจจุบันธรรมนั่นเรียกว่าปัจจุบันแท้ <c oughs> มันไม่มีอนาคตมันไม่มีอดีต แต่ถ้าหลุดออกจากเท้าเมื่อใดเท้าเคลื่อนไปแต่จิตไปอยู่ที่อื่นนั่นเรียกว่าจิตไปสู่อดีตไปสู่อนาคตแล้วถ้าในขณะที่เรารู้การเคลื่อนไหวของเท้าจิตยกเอ่อเท้ายกขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกจะเกิดความคิดจิตมีความคิดเกิดขึ้น มันก็หลุดออกจากเท้าเราก็แค่รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นที่จิตเราก็ยกจิตรู้ลงไปรู้การเคลื่อนไหวของเท้าอีกเหมือนกันไอ้ยกกลับมารู้การเคลื่อนไหวของเท้าจิตหลุดออกไปอย่างไรก็ตามไม่ใส่ใจในสิ่งที่คิดไม่ใส่ใจในสิ่งที่รู้ให้ยกกลับมารู้การเคลื่อนไหวของเท้าของเราผูกจิตไว้อยู่ในอารมณ์ คือเท้าที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นให้มั่นด้วยสติของเราเมื่อสติตามรู้การเคลื่อนไหวของเท้าตามความเป็นจริงอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆยสติก็จะแข็งแรงขึ้นมาความแข็งแรงของสติที่มีอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เป็นสมาธิขึ้นมา ยกขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกยกขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกยกขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกเราแค่มีแก่ใจในการที่ท่อนมันยกขึ้นมีแก่ใจในการที่เท้ามันก้าวไปมีแก่ใจในการที่เท้าเหยียบลง มีแก่ใจในการที่ส้นยกขึ้นมีแก่ใจในการที่เท้าก้าวไปมีแก่ใจในการที่เท้าเหยียบลงเมื่อเดินสุดทางเดินของเราเราก็หยุดรู้การยืนจากนั้นเราก็หมุนรู้ในการที่ตัวหมุนที่เท้ามันหมุนหมุนมาอยู่ในลักษณะพอหมุนครบท่าเสร็จ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 ไม่ต้องไปบีบคั้นเวลาไม่ต้องไปบีบคั้นจิตเอาแค่รู้ในการที่ส้นมันยกขึ้นรู้ในการที่เท้ามันก้าวไ ป, ร, ร, ร, ร, ร, ไป ร, ร, รู้ในการที่เท้าเหยียบลงรู้ในส้นที่ยกขึ้นรู้ในการที่เท้ามันก้าวไปรู้ในการที่เท้าเหยียบลง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 ด้วยความเพียรด้วยความรู้ตัวด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้ายึดคืนขึ้นมาเราจะขยับด้วยความรู้สึกเราจะขยับรู้ด้วยสติเมื่อส้นขยับยกขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกรู้สึกในการที่ส้นยกขึ้น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 ถ้รู้สึกว่ามันโคลงเคลีงแขวง่งเราก็ก้าวให้สั้นลงก้าวให้สั้นลง ในยามที่เรากาลังรู้สึกต่อการที่ส้นยกขึ้นรู้สึกในขณะที่เท้าเราย่างไปรู้สึกในขณะที่เท้าเราเหยียบลงนิวรนจะมาเยี่ยมเรามาในลักษณะของมานโดยการก่ออัตตาขึ้นให้เกิดเป็นความสงสัย อาจจะเกิดความสงสัยและก็ถามตัวเองว่าเรามาทําอะไร น, นี่อาจจะเกิดอัตตาขึ้นมาพอเกิดอัตตาขึ้นมามันก็จะมีโทสะเป็นมูลมันก็มีคําถามคําตอบขึ้นมาที่ใจตามอํานาจของกิเลส <c oughs> ว่าเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะสิ้น เมื่อไรจะเดินเสร็จเมื่อไรหลวงพ่อจะบอกว่าเสร็จแล้วเมื่อไรจะให้หยุด <an> คือพอกิเลสเ้าออกมาทำงานมันก็จะเป็นเรื่องของเวลามันเป็นเรื่องของทุกข์มันเป็นเรื่องของการบีบคั้นขึ้นมาทันทีเราทำความรู้สึกตัวให้ได้ว่ากิเลสชาติเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหยุดการเดินหยุดยืนและยกจิตกลับไปเริ่มตั้งความเพียร รู้สึกที่กวาเท้าแล้วก็จิตพร้อมใส่ใจในการที่ส้นยกขึ้นใส่ใจในการที่เท้าก้าวไปใส่ใจในการที่เท้าเหยียบลงยกส้นขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึก กิเลสชาติเนี่ยมันครองใจมันครองพื้นที่ใจของเรามานานมากแล้วหลายภพหลายชาติเราเกิดตายเกิดตายมาเนิ่นนานเหลือเกินไม่มีโอกาสที่จะได้มาฝึกผลกะัดทะสิ่งที่หมักดองชื่อว่าอาสวะที่อยู่ในสันดานของเรา มาเจอพระพุทธเจ้าโชคดีมากในขณะที่คําสอนของพระองค์ยังรุ่งเรืองอยู่ได้มาเรียนรู้และปฏิบัติตามเพื่อยึดคืนพื้นที่ใจของเราเอาคืนมาจากกิเลสที่มันยึดคืนไปแทบหมดแล้วเรายึดคืนแปลความหลงมาเป็นสติ แปลความเพลินมาเป็นสมาธิแปลความโง่ามาเป็นปัญญาถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ยังหลงยังเพลินยังโง่อยู่เหมือนเดิมเรายึดคืนมาได้เพื่อปลูกสติสมาธิและปัญญาขึ้นมายกต้นขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึก ยกช้นขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกไม่ต้องไปลังเลสงสัยว่าเวลาเท่าไรแล้วกี่นาทีแล้วอีกนานไหมนี่เป็นอาการของนิวรถ้าจิตเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้จงรู้ไว้ว่าอันนี้คือมานหยุดการเดินแล้วทำความรู้สึกตัว ให้จิตไปรู้สึกที่ขวาเท้าแล้วเริ่มความเพียนด้วยการยกช้นขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึก <c oughs> ร่างกายนี่กอด้วยธาตุทั้งสี่มาปรากฏในโลกเขาสมมุติชื่อเรียก ว่านายนั่นนางนี่แต่แท้ที่จริงมันแค่เป็นของชั่วคราวแต่จิตซึ่งเป็นตัวเราอยู่ข้างในนั้นมันไม่ได้เป็นตัวกายนี้เพียงแค่มาอาศัยกายนี้เท่านั้นตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตในขณะที่จิตอาศัยกายเราก็ใช้กายนี้ ทำเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายมันเป็นเพียงแค่ของชั่วคราววันนี้ขณะนี้เรากำลังใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ต่อจิตใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ต่อธรรมะเราไม่ให้ร่างกายเป็นประโยชน์กับกิเลสอย่างเดียว เรามายึดคืนพื้นที่จิตใจของเราโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือยก่อนขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกต้องใส่ใจในการที่ส้นเท้ามันยกขึ้นใส่ใจในการที่เท้าก้าวไปใส่ใจในการที่เท้าเหยียบลงทําอย่างนี้เมื่อสุดทางเดินของเรา ให้รู้ตัวในการยืวืนในขณะที่หยุดจากนั้นก็รู้ตัวในการหมุนหมุนหมุนเมื่อมาอยู่ในท่าพร้อมจะเดินเราก็ยกส้นขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกให้มันต่อเนื่องอย่างนี้ให้เท้าเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิต ตัวที่ถูกรู้ของจิตก็คืออาการการเคลื่อนไหวของเท้ากิริยาที่ส้นยกขึ้นกิริยาที่ก้าวไปกิริยาที่เหยียบลงไม่ใช่จิตไปใส่ใจที่เท้าอย่างเดียวต้องใส่ใจในกิริยาที่เท้าส้นยกขึ้นก้าวไปเหยียบลงยกขึ้นก้าวไปเหยียบลงใส่ใจในกิริยาเคลื่อนไหวของเท้า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 ตั้งสติให้ดีพอเรเดินไปได้ระยะหนึ่งถ้ามันลา้าเราก็หยุดแล้วก็เริ่มความเพียรใหม่ไม่ต้องไปไฟเฟ่ใส่ใจในการที่ส้นยกขึ้นใส่ใจในการที่เท้าก้าวไปใส่ใจในการที่เท้าเหยียบลง ยกจนขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกยกจนขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึก พอพร้อมก็ตั้งสติใส่ใจในการส้นยกขึ้นใส่ใจในการที่เท้าเหยียบไปใส่ใจในการที่เท้าก้าวไปใส่ใจในการที่เท้าเหยียบลงมีแก่ใจในการที่ส้นยกขึ้นมีแก่ใจในการที่เท้าก้าวไปมีแก่ใจในการที่เท้าเหยียบลง จิตของเรามันเหมือนลูกโคตัวดุเมื่อจับมาผูกไว้ที่หลักแล้วมันจะดิ้นรนเราต้องเอามาฝึกฝึกด้วยการรู้การเคลื่อนไหวของเท้าถ้าขณะใดาที่เรารู้สึกต่อการที่ส้นยกขึ้นจิตเราก็จะให้ตัวรู้สึกมนาะเป็นจิต จิตเราก็จะอยู่ในอำนาจของเราในชั่วขณะที่ส้นยกขึ้นเมื่อเท้าเราก้าวไปเรารู้สึกต่อการก้าวไปจิตเราก็จะอยู่ในอำนาจของสติเราในขณะที่เท้าก้าวไปเมื่อเท้าเหยียบลงเราก็รู้สึกในการที่เท้าเหยียบลงจิตก็จะอยู่ในอำนาจของเราในขณะที่เท้าเหยียบลง ยกขึ้นจิตก็อยู่ในอำนาจก้าวไปจิตก็อยู่ในอำนาจเหยียบลงจิตก็อยู่ในอำนาจต่อเนื่องกันไปอย่างนี้ฝึกฝนเพื่อให้จิตอยู่ในอำนาจด้วยอยู่ให้จิตอยู่ในอำนาจแห่งส ต, ติของเรายกคนชนขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกยกชนขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึก ยกส้นขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกยกส้นขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกยกส้นขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกแต่เดิมจิตมันอยู่ในอำนาจของกิเลส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 มีความรู้สึกอยากจะหยุดเดินนั่นก็คือถีนามิทะที่เรียกว่าความคร้านมีชื่อเรียกว่าตันติตันติแปลว่าความคลานเกิดอารติคือความไม่ยินดีที่จะตารบความเพีย เกิดเจตโซลีลตาเกิดความหดหูของใจมีใจหดหูขึ้นมาเกิดความห่อเหี่ยวไม่มีกำลังของความเปลี่ยนส้นยกขึ้นไม่รู้สึกนี่เรียกว่าห่อเหี่ยวเท้าก้าวไปไม่รู้สึกนี่เรียกว่าห่อเหี่ยว จิตมีความรู้สึกถูกบีบคั้นเหมือนกับว่ามีตัวอีกตัวหนึ่งคอยกระซิบบอกว่าเมื่อไรหลวงพ่อจะหยุดเดินส ต, ตินะไม่ไหวแล้วนี่เรียกว่าความค้านความค้านเป็นตัวถีนมิทะแหละอาการของถีนมิทะ ขาะนี้ได้เวลาพอสมควรยังคงเดินอยู่เดินด้วยสติไปจนถึงจุดเริ่มของตนเองถ้าใครเดินไปถึงจุดเริ่มของตนเองแล้วให้หยุดแล้วรู้ตัวการยืนจากนั้นก็ไปรู้สึกที่มือข้างขวา คลายมือออกมาแนบกับตัวแล้วไปรู้สึกกับมือข้างซ้ายคลายมือออกมาเคลื่อนไปแนบกับตัวเมื่อแนบกับตัวเสร็จแล้วรู้สึกการยืนพอรู้สึกการยืนก็สุดสิ้นการฝึกแต่ยังคงใช้สติอยู่ยังคงใช้สติอยู่หมายความว่า เราออกจากเส้นทางเดินจงกลมของเราแล้วเราก็เดินไปทําธุระส่วนตัวของเราเรียกว่าเสร็จสิ้นการฝึกแล้วเข้าสู่ชีวิตจริงแต่สติยังอยู่เดินไปด้วยสติเดินไปด้วยสติหมายความว่ามีความรู้สึกตัวไม่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้สติหลุดออกไปจากจิต เพราะสติถ้าหลุดออกไปจากจิตกิเลสก็เก้าครอบทำอย่างเดิมงั้นรักษาไวา้รักษาอารมณ์อันนั้นไว้ที่นิ่งด้วยสตินั้นรักษาไวา้